เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุสลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ของพุทธศาสนิกชนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าหนึ่งให้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีที่ยังไม่ได้สร้างสองให้รักษาความดีรักษาบุญรักษากุศลที่มีอยู่ให้คงไว้สามให้ละบา ความชั่วทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละสีให้ป้องกันห้ามไม่ให้บาปกรรมที่ได้ละแล้วกลับคขนมาอีกนี่คือหน้าที่สี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนข้อแรกก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศล ที่เรายัางไม่ได้สร้างหรื อ, อยังมีน้อยอยู่ให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ได้ทาบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆก็ควรที่จะเริ่มทำบุญให้ทานตักบาตรถ้ามีผ้าผ่านมาทางบ้านก็ควรจะตักบาตรถ้าไม่มีก็รอเวลาวันเสาร์วั น, วนอาทิตย์วันหยุดมาตักบาตรที่วัด หรือถ้ามีคนยากคนจนเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือกันได้แบ่งปันอาหารปัจจัยสี่ได้ก็ควรจะแบ่งปันกันไปเพราะการทำบุญนั้นไม่ได้จำต้องทำแต่กับพระเท่านั้นทำบุญกับพระก็ได้บุญทำบุญกับคารวะก็ได้บุญแม้ทาบุญกับ เดราชานเช่นสุนักก็ได้บุญเช่นเดียวกันเพราะคำว่าบุญนี้หมายถึงความสุขใจความสะอาดของจิตใจที่ได้ชำระความโลภความตเนีความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปเรียกว่าเป็นการให้คือทานทานนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้อง ถวายแต่พระอย่างเดียวเช่นสังฆทานหรือตักบาตใครเดือดร้อนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปแม้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเข้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลเราก็ทำอุทิศไปให้กับเขาได้เช่นเดียวกันเป็นการทำความดีเพื่อจิตใจของเราจะได้ คลายความตนีคลายความโลกคลายความเห็นแก่ตัวทําให้ใจกวา้างใจเบิกบานใจมีความสุขใจมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่คือความดีอย่างหนึ่งซึ่งมีอีกหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูกะตะเวที ต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์เราก็ควรที่มีความลำลึกถึงพระคุณของท่านและมีโอกาสก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณตามสภาพของผู้ที่ของผู้รับและของผู้ให้ถ้าท่าน มีอายุมากต้องการคนดูแลช่วยเหลือเราก็ควรที่จะหาคนมาดูแลท่านหรือถ้าเรามีเวลาเราก็ดูแลท่านเพราะท่านเคยดูแลเรามาตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลกันไปการทำกวศดีเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรา สูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทำให้จิตใจของเราสะอาดด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการบำเพ็ญภาวนาคือทำจิตตภาวนามีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนานั้นเป็นการทำจิตใจให้สงบจิตใจถ้าไม่สงบจะหาความสุขไม่ได้จะมีอารมณ์ขุ่นมัวจะมีความหลงทำให้เกิดความโลภความอยากความต้องการและเมื่อไปทำตามความโลภตามความอยากความต้องการต่อให้ทำได้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้รับความอิ่มความพอ ก็จะต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจขุ่นมัวนั่นเองจึงต้องทำจิตใจให้ใสให้สะอาดปราศจากความขุ่นมัวโดวยการทำสมะถธภาวานาหรือการนั่งสมาธินี่เองด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ได้หรือด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ ข้อสำคัญก็ให้มีสติอยู่กับการภาวนาอย่าส่งให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าพุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจก็ให้ดูลมหายใจอย่างเดียวถ้าสวดมนต์ก็ให้สวดมนต์อย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องต่างๆเพราะจะไม่ทำให้ใจสงบนั่นเอง ถ้าเราสามารถประครับประคองใจให้อยู่กับงานที่เรากำหนดไว้ทําไปเรื่อยๆไม่นานใจก็จะสงบพอสงบนิ่งแล้วเราก็หยุดสวดได้หยุดบริกรรมพุทโธได้ไม่ต้องดูลมหายใจได้เพราะมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติขณะนั้นใจจะปล่อยวางทุกอย่างจะอยู่ในความสงบนิ่งเย็นสบาย มีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์กับความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วเราจะมีที่พึ่งเวลาเรามีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ใจเราก็ทำสมาธิจเจริญสมถะภาวนาทำไปพอใจสงบความวุ่นวายใจความทุกข์ใจ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็จะหายไปถึงแม้เรื่องราวต่างๆยังไม่หายไปแต่เขาจะไม่เข้ามาอยู่ในใจของเราเมื่อไม่มีอยู่ในใจของเราก็เหมือนกับไม่มีนั่นเองนี่คือวิธีดูแลรักษาใจสร้างความดีให้กับตัวเราเมื่อใจของเรามีความสงบแล้ว เวลานิ่งอยู่ก็ปล่อยให้เขานิ่งไปเรื่อยๆอย่าไปทําอะไรอย่าไปดึงออกมาให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้เขานิ่งอยู่เท่าที่เขาอยากจะนิ่งเหมือนกับคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้คนนอนหลับตื่นขึ้นมาปล่อยให้เขาหลับให้พอเมื่อเขาพอแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาเอง พราะถ้าไปปลุกเวลาที่เขายังนอนไม่พอเขาจะเกิดอารมณ์หุดหงิตไม่สบายใจเนีเช่นเดียวกับเวลาที่จิตอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบอย่าไปดึงจิตออกมาถึงแม้จะมีธุระอย่างอื่นที่ทต้องทําก็ตามในขณะนั้นอย่าไปสนใจขอให้เห็นความสําคัญของความสงบนี้ยิ่งกว่าธุระอย่างอื่น เพราะถ้าเราไปดึงออกมาในขณะที่ยังไม่พักพอต่อไปเวลาเราจะทำให้จิตสงบอาจจะทำได้ยากเพราะจิตจะไม่ยอมเข้าเพราะเราดึงมเขาออกมาดัางนั้นเมื่อจิตสงบก็ปล่อยให้นิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนามได้พอเขาอิ่มตัวแล้วเขาจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้ว แทนที่เราจะเอาใจไปคิดเรื่องต่างๆที่เราเคยคิดอยู่ท่านก็สอนให้เราเอาใจมาคิดทางด้านปัญญาให้เราเกิดความฉลาดให้รู้ทันความหลงที่หลอกให้เราโลภหลอกให้เราอยากหลอกให้เราทุกข์หลอกให้เรากังวลหลอกให้เราเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้ หรือแก้ได้ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเราถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็คือความรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเรายังไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของเขาเรามักจะเห็นสิ่งต่างๆว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเรามักจะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นให้ความสุขกับเราเรามักจะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา แต่ความจริงพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรตวแล้วทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นจะไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปสิ่งต่างๆไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเพราะเขามีความทุกข์แถมมาด้วยเวลาเรามีอะไรเราก็จะทุกข์กับสิ่งที่เรามี เพราะเราจะหวงจะห่วงจะกังวลจะเสียดายเวลาที่เขาจากเราไปจึงเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขและสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ออกมาจากธรรมชาติออกมาจากดินน้ำลมไฟเมื่อมารวมตัวกันก็ปรากฏเป็นบุคคลต่างๆ เป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเป็นสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากธาตุสี่ทั้งนั้นคือดินน้ำลมไฟแล้วสักระยะหนึ่งต่อไปมันก็จะแยกทางกันกลับไปสู่ธาตุเดิมกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟคนเมื่อตายไปแล้วร่างกายก็สลายไปหมด กับคืนสู่น้ำกับคืนสู่ลมกับคืนสู่ดินกับคืนสู่ไฟไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยมีสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ก็คือใจใจถ้าฉลาดก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะปล่อยวางจะไม่มีปัญหาถ้าใจยังไม่ฉลาดยั ง, งโง่อยู่ก็จะทุกข์วุ่นวายใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แล้วก็ยังต้องไปหาสิ่งต่างๆใหม่อีกไปเกิดใหม่ไปมีสามีมีภรรยาใหม่มีสมบัติเข้าของเงินทองใหม่เพราะความหลงหลอกให้ไปหาใหม่ไม่รู้ว่ากำลังไปหาความทุกข์เพราะเมื่อได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันก็จะร้องห่มร้องไห้อีกแล้วก็จะไปหาใหม่อีกอยู่เรื่อยๆ นี่คือใจที่มีความหลงเป็นผู้สั่งการจะสั่งให้ไปหาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกขกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นที่เราเรียกว่าวัตฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพลาดพลาดจากกันกันใหม่ถ้าตาบใดยังไม่ได้มีปัญญามีความฉลาดรู้ทันว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าพึงปรานาไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเอามาครอบครองไม่ควรยึดติดถ้ามีก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้เขาจากเราไป ถ้าเราพร้อมที่จะให้ร่างกายจากเราไปเวลาร่างกายจากเราไปเราจะไม่รู้เสียเราจะไม่เสียอกเสียใจไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตา่ายร่างกายของเราร่างกายของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของพ่อแม่ผู้ย่าตายายครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายร่างกายของเขาสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไป เมื่อเขาจากเราไปถ้าเราไม่หลงยึดติดกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจคำว่าไม่ยึดติดนี้หมายถึงไม่มีอารมณ์ผูกมัดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันความเมตตากรุณาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมกลับมีมากขึ้นเสียอีกเพราะรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันไม่นานเราต้องจากกัน ทำไมเราต้องมาอยู่แล้วมาทะเลาะกันมาโกรธกันมาเกลียดกันทำไมเดี๋ยวพอเราจากกันก็ต้องมาล้อมห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจภายหลังว่าไม่ควรโกรธกันเลยไม่ควรเกลียดกันเลยควรจะรักกันให้มากถ้าเรามีปัญญาเราจะมีความเมตตามากขึ้นจะมีความกรุณาเมฆมากขึ้นจะมีมุนิตาจิตมากขึ้นและจะมีโอเบขา คือเราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิ้นแต่เวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะดูแลกันจะรักกันปรองดองกันสามัคคีกันยอมแพ้คือจะไม่เอาแพ้เอาชนะกันถ้าอยากได้อะไรถ้าให้ได้ก็ให้จะไม่ขัดขวางแต่อย่างใดคืออยากจะให้มีความสุขนั่นเอง เพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตของเราที่จะอยู่ด้วยกันนี้มันไม่ยาวนานสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันและเมื่อเรารักใครเราก็อยากจะให้เขามีความสุขเรามีถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ต้องปล่อยให้เขาทำตามความต้องการของเขาถ้าการกระทำของเขานั้นไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือตัวเขาเอง เราก็ควรที่จะอนุโมทนาส่งเสริมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นรื้อดวเขาถ้าเราห้ามเขาได้ก็ควรจะห้ามแต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมเมื่อเขาทำไปแล้วเขาก็จะต้องรับผลของกรรมของเขาต่อไป นี่คือวิธีสร้างความดีที่ยังไม่มีในตัวเราให้มีให้เกิดขึ้นถ้ามีน้อยก็สร้างให้ให้มีมากขึ้นถ้าเราถ้าเรามีแล้วเราก็ต้องรักษาไปเราเคยทำอะไรเคยทำความดีอย่างไรเราก็ทาต่อไปอย่าอย่าปล่อยปละละเลย ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้ทานการมีความกตัญญูกะตะเวทีหรือการรักษาใจให้สงบให้สงาดให้สะอาดให้ฉลาดให้มีปัญญาขอให้เราทํากันไปจนกว่าชีวิตจะหาไหม่แล้วเราจะได้รับประโยชน์อันเลิศอันต่อเสดตามพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้รับกัน จะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนส่วนการละบาปที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ควรที่จะทำกันถ้าเรายังมีบาปข้อไหนอยู่ <c oughs> เช่นเรายังพูดปดอยู่ <c oughs> ก็พยายามเลิกถ้าเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ <c oughs> ก็พยายามเลิกถ้าเรายังประพฤติผิดประเวณีอยู่ <c oughs> ก็พยายามเลิก ถ้าเรายังลักทรัพย์เอาข้าวของของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตมาอยู่ก็ขอให้เราพยายามเลิกถ้าเรายังเสพสุรายามเมาก็ขอให้พยายามเลิกเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นโทษกับตัวเราและกับผู้อื่นเป็นเหมือนยาพิษเลือกเป็นเหมือนเอาสารพิษเป็นงูพิษไม่เป็นประโยชน์กับใครเป็นพิษเป็นภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาในปัจจุบันใจของเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจมีความหวาดกลัวที่จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมและเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายในในภพใดภพหนึ่งเช่นภพของเดรัจฉานของเปรตหรือ พบของสัตว์นรกนั่นเป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในที่อย่างนั้นก็ขอให้เราพยายามละบาปต่างๆที่เรายังทำอยู่ส่วนบาปข้อไหนที่เราละได้แล้วก็ขอให้เราอย่ากลับไปทำอีกถ้าเราเลิกพูดปดได้ก็อย่ากลับไปพูดปด ถ้าเราเลิกขโมยได้ก็อย่ากลับไปขโมยถ้าเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ก็อย่ากลับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงแล้วอา น, นิสงส์ก็คือจะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเกิดมากี่ชาติก็จะเกิดในสุขติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพระอริยเจ้า ต้องมีศีลเป็นเป็นเป็นผู้พาไปเป็นเหมือนตั๋วรถไฟจะเดินทางขึ้นรถไฟต้องตีตั๋วก่อนถึงจะขึ้นรถไฟได้ถ้าไม่ฉะนั้นเวลาเขามาตรวจตัว๋วถ้าเราไม่มีตัว๋วเขาก็จะต้องเชิญเราลงไปฉนันใดถ้าเราอยากจะไปเกิดในสวรรค์อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อยากจะเป็นพระอริยสงฆ์อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนอกจากนั้นเราก็ยังต้องทาบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอแล้วก็ชาระใจด้วยการบาเพ็ญจิตภาวนาที่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราสามารถทำได้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะถึงพระนิพพาน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวงเพราะนิพพานานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่สุดวิสัยของพวกเราถ้าอยู่สุดวิสัยพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลาเอามาสั่งสอนเอามาเผยแผ่และมีมนุษย์ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเข้มแข็ ง, ขงอดทน จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจํานวนมากได้ไปถึงพระนิพพานกันเป็นจํานวนมากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจํานวนมากเพราะว่าพระนิพพานนี้อยู่ในวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเองถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนั้นต่างเสียถึงจะไม่มีโอกาสเช่นถ้าเกิดเป็นเวรัจฉานเกิดมาเป็นสุนัข แล้วมาอยู่วัดก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้เพราะไม่สามารถฟังพระธรรมคำสอนได้ไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้มีมนุษย์นี้เท่านั้นที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามและบรรลุถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม ตามได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันเลื่อันประเสริญนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีทั้งสองสิ่งนี้แล้วโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแทบจะไม่มีเลยเช่นถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่อยู่ในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือถ้ามาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขอยู่ในวัดก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคําสอนจากพระพุทธศาสนาต้องมีทั้งสองอย่างมารวมกันเหมือนกุญแจต้องมีทั้งตัวแม่และตัวลูกถึงจะนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีแต่ตัวแม่ไม่มีตัวลูกก็ใช้ไม่ได้มีตัวลูกไม่มีตัวแม่ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องมีทั้งสองส่วนพวกเรานี้จึงถือว่ามีโชควาสนามากมีบุญบารมีมากที่ได้มาพบกับทั้งทั้งสองสิ่งที่ประเสริฐนี้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากและเป็นสิ่งที่ยากมากการปรากฏของพระพุทธศาสนา ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็เป็นสิ่งที่ยากมากนานๆถึงจ ะ, ม, ะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศาศาสนาสักครั้งหนึ่งเวลานี้นับเป็นกับกับนี้เป็นเวลาที่ยาวนานยาวกว่าที่เราจะสามารถเขียนเขียนได้ด้วยตัวเลขมันยาวมากและการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่าย ถ้าไม่รักษาศีล5ได้ดีโอกาสที่จะมาเกิดก็มีน้อยถ้ารักษาได้มากโอกาสที่จะมาเกิดก็มีมากถ้ารักษาได้น้อยโอกาสที่จะมาเกิดก็มีน้อยดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันเลิ่ออันวิเศษนี้ให้หลุดมือไปเปรียบเทียบในทางโลกก็เหมือนตอนนี้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว เราได้งเงินรางวัลมาหลายหลายสิบล้านบาทเราอยากเอาเงินไปฝังดินเรารีบเอามาทำประโยชน์อยากจะซื้อเพชรอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อข้าวของต่างๆอยากจะทำอะไรเราก็รีบทำเสียเพราะชีวิตของเรานั้นไม่ยาวนานถูกก็ตรี่แล้วไม่เอาเงินถูกก็ตรี่มาใช้อยู่ไปไม่กี่วันตายไปก็ เหมือนกับไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นเงินของคนอื่นไป เ, นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ปฏิบัติภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติทุกวันทุกคืนก็เหมือนกับปล่อยให้เวลาอันมีค่าปล่อยให้สมบัติอันมีค่านั้นหลุดจากมือเราไปใ น, นวันทุกวันทุกเวลาเราจึงควรเตือนสติเราอยู่เสมอว่า เรามีหน้าที่อยู่สี่ข้อที่เราจะต้องทำอย่างสม่าเสมอ น, นั่นก็คือสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นที่เรามีน้อยก็สร้างให้มีมากให้มีครบร้อยส่วนความดีที่เรามีครบร้อยแล้วเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันหายไปและละบาปที่เรายังมีอยู่ในตัวของเราให้หมดไป ส่วนบาปที่เราละได้แล้วก็อย่าให้หวนกับคืนมาอีกถ้าเราสามารถทำหน้าที่ทั้งสี่ประการนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเราจะไม่ต้องทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับอะไรทั้งสิน้นเราจะอยู่ไปอย่างมีความสุขไปตลอดอนานตการเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย เพราะเราจะได้ไปถึงพระนิพพานแล้วนั่นเองนิบบานังปรังมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่นั่นเองถึงเรียกว่าบรมสุขส่วนสุขของพวกเรานี้เป็นสุขแบบสุขสุขเดิมดิดสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขสลับกันไปสลับกันมาแต่สุขของพระนิพพานสุขของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่ปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยเป็นความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดจนไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าตลอดอนันตการนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่ภาษาศาสนาจะมอบให้กับเราได้ขอให้เรามีความเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง และอยู่ในวิสัยที่พวกเราทุกคนจะทำกันได้เพราะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราจะมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามเราจะมีความขยันหมั่นเพียรมีความเข้มแข็งอดทนที่จะปฏิบัติตามเพราะจะรู้สึกว่ายากการที่จะปฏิบัติตามเพราะทำคำสอนของพพระพุทธเจ้าแต่จะไม่อยู่จะจะไม่เป็นอุปสรรคถ้าเรามีศรัทธา มีความพอใจมีความภาคเพียรมีขันติความอดทนสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคนี้ก็จะสลายหายไปหมดคำว่ายากก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดฉันทะความยินดีให้เกิดวิริยะความขยนัน ให้เกิดขันติความภาคเพียนเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติและบรรลุถึงผลอันประสริฐนี้จึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนให้ท่านได้นำไปพิริพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีะรัะนรรมจัยี พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละโดยทั่วหน้ า, าการเธอ